5. นิสีธนะสันทตะสิกขาบทส8ถามทรงบัญญัตินิสัเคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไม่เอาสันถัดเก่าหนึ่งคืบสุคตโดยรอบมาปนแล้วใช้ให้ทำสันถัด ร, ร, รองนั่งใหม่ณที่ไหนตอบทรงบัญญัตนกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบ ทรงปราภบิษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุหลายรูปทิ้งสันถัดแล้วพากันสมาทานอารัญยิกะทูดงบินทปาติกะทูดงบางสุกูลิกะทูดงในนิสีธนะสันทตะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุทฐานแห่งอาบัตหกสมุทฐานเกิดด้วยสมุทฐาน6สมุทฐาน